ธรรมะของพระเจ้าเนสอส่อย่างเป็นปนวาอยู่ <c oughs> แต่สืบปฏิบัตินั น, นอากจะมองข่ามไปว่าสมัยนี้ธรรมะของพระเจ้าไม่ดเดนเหมือนสมัยพระองค์ยังตรงพระชนม์อยู่ก็สืบปฏิบัติ อ, อ, อาจทำในข้เห็น อีมากวิญพลดยเส้นใหญ่มากอยากจะสงสัยเลือกต่ำตีดูดไปคานองนี้แต่ความจริงดูดี่ันประเภทปฏิบัติอาจทำท่านก็ไม่ได้อวดว่ท่านได้อะไรจากการปฏิบัติออกจากตัวขท่านหรือจะเห็นความเป็นจริงความสุขความสบายความละามถอนความ ลอยวางตั้งใจเพราะกายู่ในทางพระศาสนาคือโดย เ, าากเยะกาะเรื่องของชาตการสุดเรื่องธรรมะเม่อเราได้เราทิ้งอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทางทสืบ้ายในนัามเอาไว้อาศัยไฟฟ้าฟถือหรือสุดไปทำนองนั้น ปกติอันว่าฝ่าผิวและทำยินไนในเคารพในพาระยินไนจิตวิบากจดาทรงบัญญัติเอาไว้ฉะนั้นเรื่องทำมะจิตคนสงสัยโดยส่วนใหญ่ปกติฟู่ใหม่ต่เพื่ปฏิบัติเมื่อตัวเองไม่รู้ไม่เห็นไน่ลงมือประเพื่ปฏิบัติการทอะไรก็เลยสงสัยว่าทำมะหมดไปเสื่อมไป ควาพจริงธรรมะเป็นอาจาย์ห ร, รือการทหรือไม่มีกาจรมีสมัยถ้าผู้ใช้เจา้าจะยังทรงพระนอยู่หรือกริณิผ่านไปธรรมะคือของจริงก็่ยังมีอยู่ไม่เสื่อมไม่เสียไปที่ไหนเพราะธรรมะมีอยู่กับกายกับใจของบุคคล คนยังมีกามีใจธรรมะยังมีอยู่ีปธรรมคือรูปคือเรามองเห็นด้วยตาถึงเป็นวัตถุนามธรรมคือเรื่องคือมองมาเห็นด้วยตาเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีเรียกว่านามธรรมธรรมเหล่านี้มีประจําบุคคลั่วไปว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่สองเทียวซึ่งเกิดจากรูปและนามเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ไม่ด้เสื่อมไม่ได้เสียพระพุทธเจ้าในหอกหากอัตธรรมอยู่ร ง, งแสดงเสียสัตย์เมื่อเวลาท่านไปปฏิบัติหรือท่านปไินิพพานท่านก็ยังบอกไว้ว่าให้ ปฏิบัติตามทำด้วยในทำด้วยในเป็นศาสดาแทนเราสถาพุทธปฏิบัติเอาไว้อย่างนั้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติอัดตามทางพระพุทธศาสตร์ศาสนายินควรพิจารณยนาอย่างที่พระพุทธองค์ทรงบอกบอกอะไรยัรงจะตีประชานสีปฏิบัติสี สมาทานสีมันมีอยู่ที่ไหนแต่เราพิจารณาแล้วไม่ได้มีอยู่ที่อื่นก็่มีอยู่ที่กายที่ใจของมนุษย์เราเช่นสมาทานททาสีการสังอนระวง ah e ังไม่ให้บาปเกิความทั่วเกิดขึ้นในสันดานของตนความทั่วที่เห็นหน้ไปจับ ขั่วไปก็คือความขั่วที่หยากเกิดขึ้นจากายเกิดขึ้นจากวาจาทําทั่วที่ละเอียดเข้าไปก็คือการเกิดขึ้นจากใจเมื่อทําเมื่อพูดเมื่อคิดอะไรเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนอื่นสักอื่นเป็นไปเพื่อทําตนให้เดือดร้อนวุ่นวาย ถึงเขาพูดใจเจ้าแต่ในบรรยัตเป็นความขั่วมันก่อชั่วอยู่เองความชั่วเหล่านี้เป็นความขั่วที่อยาดที่ทำบุคคลในสังวรล้ ว, วันให้เดือดร้อนทั้งคนเองและคนอื่นเสียนเขาก็ไม่ชอ บ, บจิตจุตใจเพราะการทำไปหรือปูดไปไร้สาระประโยชน์ นอกจากนัก้นยังเป็นคําพูดที่เหนห็บในมีใครที่จะเคลนพ้อไม่เคลนกั น, น่หแต่ส่วนความละเอียดเข้าไปเสงใจความโลภความโกรธความหลงถ้ามีอยู่งงยกมาเข้าก็จะแสกเข่าใจของเราให้เดือดร้อเนเหมือนกันจะคิดลรุงขึ้นก่อยรับความ ไม่เป็นธรรมในรับความเดือดร้อนเขาคนเองก่อนคนอื่นเพราะมีจำนวนมาเข้าก่อนระเบิดออกมาทางกายทางใจาเกิดนั้นคนที่้งรวมระวังในความทั่วเกิดขึ้นมาเขาตัวเองจึงได้ชื่อว่าปัดทานทาความเสียรคือทังวรระวังในความทั่ว ปวไปมาเกี White, the the people, is. Is ่ยวฝ้องกายวายใจใจคงตมันสำระสระสางตักข้อกูสำมันเส็นอไปเพราะใจของบุคคลจะเต่ามองยึดป่องใส่ได้ก่อาศัยอารมณ์ทีเกิดขึ้นจากตัวเองก่อนคนอื่นสัตอื่นซึ่งเราเห็นเข้าเรา นำมาแผกบเขาตัวของเราส้าหากเลยชอบออจิตจิตใจเห็นว่าเขาทาใส่ตัวอย่างนั้นพูดใส่ตัวอย่างนี้ก็เลยเกิดความไม่ดีในงานขึ้นความจริงมันเกิดขึ้นจากตัวเองทําพูดหรือาการกระทำของเขาแต่เราเห็นว่าเขาทําไม่ดีของไม่ดีแล้วแต่เราเป็นคนฉลาดทําไมไปเก็บเอาของขวนนั้นมา ทนให้ใจของตัวเศร้าหมองเดือดร้อนเดือเราจะโง่ไม่ต้องรอระวังตัวทล่องตัวเดือดก็มาปฏิหารภายในทังวรระวังกายบายากใจคองคนระวังในเหตุความขั่วขั่วไปจึงจะทาตายทำบายาจทาใจเดือดร้อนแผลเตาตัวระวังไว้ําละไว้รอมเอาไว้ไม่ให รั่วไหลเข้มาสู่ตัวของตัวทหารปตกพานหมายถึงว่าความขั่วที่มีอยู่ในตัวแล้วส่วนได้ที่ขั่วที่เสียเห็นคนอื่นเขาประพฤติเห็นคนอื่นททเขาทำเห็นคนอื่นเขาพูดเราเองก็ไม่ชอบผิดชอบใจแต่นี่อยู่ในตัวของเราเราบกพร่องชำระสั่งออกไป ตลอดทั้งตัวข้าใจเองที่ไปติดห้องทหารทหารฟันขั่วเหล่านั้นให้ตกไปมาให้ฟันขั่วใหม่เกิดขึ้นเกิดการตั้งวนฟันชั่วที่มีอยู่ก่อนรสัมระด้วยการตะหารฟันขั่วก่อนนับวันนับเวลาที่จะเหลือน้อยไปหรือหมดไปผลที่สุดฟันขั่วมันมีในตัว แล้วสะดวกสบายไม่มีอะไรจะมาแฉกเขาไม่มีกฏไทยภายในและภายนอกก็มาเกี่ยวข้องก็อยู่เป็นอิสระมีความสุขทุกการทุกเวลาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมีความสุขเพราะความทั่วทั่วไม่เด็ดไปเกาะเกี่ยวความทั่วที่เกิดจากคนอื่นก็วหน่อไทยคนอื่นต้อยเกีย สวามตัวของตัวเองต่อสัมัทสะสารไม่เกียบข้างไวในใจิตในใจของตัวนี่เรียกว่าทางสายตัวสายเสียระวังสังวรและสะหัสประหารให้หมดไปคามดีส่วนใดนื่เรียกว่าภาวนาไป่ทานควรจะเกิดจะมีก็พยายามจะทำให้เกิดให้มีขึ้นใน ตัวของตัวเป็นต้นว่าทานการบริจาคเราให้ไปการให้ทานโดยส่วนใหญ่มักถือว่าเสียไปโดยไรประโยชน์ไม่ได้อะไรตอบแทนการจึงคนที่มีศรัทธาภายในใจให้ไปแล้วมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบิกบานภายในตัว้องตัวจิตสึนเมื่อดายความตึกของใจเกิดขึ้น พักตัวเพื่อนสูงกิเลสไส ย, ยทานการสงเคราะห์หรือการบูชาจากเราต้มีความรักให้มีความสมใจในตัวเราตัวของเราก็เลยเป็นเสน่หน์ไปที่ไหนไม่มีใครอันตรายไปที่ไหนมีความสุขกายสุขใจไม่อดอยากอยากทนอำนาจต้องการให้ทานให้ผลในปัจจุบันทนันตาและ พบธาตุทางหน้าผ่าหาว่ามีการเกิดการตายต่อไปอํานาจสู่สนสนทานที่เราสะสมเอาไว้ก็จะอํานวยอวยชัยให้เราไปเกิด <c oughs> ในสถานที่สมบูรณ์ปูนศุกมีสมบัติสถานเพียงพอบอริบูรณ์เช่นอย่างมีอํานาจของการให้ทานต่ทําก็เป็นการ ทำผิตทำใจให้ยืนยัน แ, นแกนมสยอย่างหนึ่งถึงเรียกว่าบุญบุญนี้ไม่ได้มีมาจากที่อื่นตัวพวกเราเป็นคนจะสะสมเป็นคนที่จะสตะทำคนอื่น <c oughs> เชียงแนะนําสั่งสอนถอยนั้นถ้าเราไม่ทำาอกว่าเป็ น, นสระประโยชน์อะไรสำหรับคนที่แนะสอนฉะนั้นการบุญการกุศล จึงเรียกว่าภาวนาประทานคือการสะส ม, มคุณธรดีให้มีขึ้นศีลการรักษากายวาจาทุกตนก็เป็นผลเป็นประโยชน์อีกเหมือนกันก็จุดง่ายๆาพิจารณากันหยับพายทางพระศาสนาโลกที่เดือดร้อนอื่นวายอยู่ปัจจุบันที่วันนี้ก็ดี หรืออดีตที่ผ่านมาแล้วกว็ดีอนาคตที่จะเป็นไปทางหนา้าก็ดีต่อเพราะมานุษย์ไม่มีสีถ้าคนมีสีแล้วโลกนี้จะมีความเยือกเย็นเป็นสุขกฎหมายที่บัญญัติขึ้นไว้ทุตบอางที่มีใปคนโทษคนทั่วต่อเพราะเหตุบาคนเหล่านั้นเขาไม่มีสี คนมีถีลไปสถานที่ใดเป็นมงคลแก่สถานที่นั้นทั้งตัวเองก็ไม่มีภัยอันตรายคนอื่นที่อยู่รอบข้างก็มีความเย็นเย็นเป็นสุขเพราะถีลที่ในเบียเดเบียนกันในขาดขันกันในรัดในขโมยกัน ม, มีการนอกจิตนอกใจกันถ้าผูกถึงศีลก็ ชาว่าที่ห้าสามีก็เป็นผู้ไว้เนื้อเชื่อใจของภรรยาภรรยาก็เน้นกานไปไหนมาไหนก็ไม่มีการนอกใจของสามีอยู่กันด้วยดีมีความสุขมห้ฤาษีเล็ ก, กเทียงความบรอิบูรณ์ยินดีในสุขความทั้งตัวการโกหกทุกลมหลอกลวงคนอื่น ตัวของเราเองก็ไม่ชอเมื่อถูกเขาต้มขุ่นอย่างนั้นหรือเขาขูดโผล่พกลมอย่างนั้นเราเองก็ควรต้งวนรักษาอย่าไปโผล่พกลมคนอื่นพูดแต่สิ่งที่เป็นตัดเป็นจริงถึงโซลาการดื่มนำเมาก็เหมือนกันคนธรรมดามีสติสมบูรณ์อยู่เมื่อ ดื่มสุราเขา้าคนนั้นอาัาจิริยา่ทาทีจะแสดงออกต่างๆนานาอูดจา่าอะไรก็ไม่มีสาระที่จะเชื่อฟังได้สุราจจงเจนทางที่ทำให้คนเสียสติเป็นทางที่ไม่ดีอันหนึ่งเขาพูดใจกล้าสั่เล็งเห็นว่าส่วนเหล่านี้จะเป็นไปเถื่อความเสียหายเป็นที่สั่งข้องวามประมาะทจึงบัญญัติเอาไว้ ขีนเพียงหากกอเท่านี้แหละถ้าหากโลกทากันต่างหน้าต่างตางประเทศปัจจุบัติตามขีนของพระพุทธเจ้าแล้วอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆจะต้องขึง้นตำรวจทหารในต้องมีรักษาประเทศชาติรักษาประชาชนเพราะเหตุใดเพราะกนทั่วไปมีสียียกเย็นเป็นสุขจะไปสถ า, านที่ไหนไม่มีใครอันตรายเพราะ เสียงของพระพุทธเจ้าที่ทรงมันยึดเอาไว้หากคนสนใจรักษาอย่างมีอา น, นิสงส์ดีเด่นตลอดการตลอดเวลาใ่ทางเสียหายเป็นทางบุญทางกุศลที่ส่วนเราทุกคนจะสนใจรักษาประเปฏิบัติหากเรารักษาหน้จิตใจของเราทิดตู ไปในทางศีลก็ไม่มีข้อใดที่จะเสื่อมจะเสียจะเป็นภัยอันตรายแก่ตัวจิต ก, ก็เลยแม่มีการหวั่นไหวมีการตั้งมั่นเพราะไม่มีโทษภัยอะไรมารบกวนเก่ยวจิตใจฉะนั้นศีลจึงเป็นทางบุญทางสุขสนที่พวกเราทุกคนจะควรสงวนรักษาเรียกว่าภาวานาแต่ทาน มี่ทำศีลทำทานสองตนให้เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เราเป็นสถานอยญ่ไป ส, สามารถที่จะทำดีและทำขั่วได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วจะดีเด่นาหากไม่มีอาจมีธรรมประจําตัวแล้วคนนี้หน้าตัวยิ่งกว่าสัดจ้านเสือที่ดุก็กลัวกันทุกวันนี้ ไม่ใช่จะมีในยินว่าเสืออยู่ในสถานที่ใดเขาชอบไปเพราะหนังมันจะราคาดูคนเป็นราคาเขาหามาขายแต่เสือคนสมัยเขาตัวกันใหญ่จะอยู่ในบ้านในช่องกว่ายังไปแย่งเอาเลือยวกับไข่ข า, าอะไรกันมันลําบากนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีสักคนไม่คิดถึงอกเขาอกเรา ทำไปได้ทุกแหน่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างเหตุนั้นบ้านเมืองจึงเดือดร้อนวุ่นวายคนดีอยู่ไม่เป็นสุขเพราะถูกคนร้ายเบียดเบียนผมเหถหาทุกคนพิจารณาอกตนและคนอื่นเทียบเทียงกันว่าเขาอย่างไรเราอย่างนั้นจะไม่มีใครกล้าไป แต่ทำทำั่วสั่งสัตย์จะร่มเย็นเป็นสุขโลกมนุษย์ก็จะเป็นโลกสวรรค์ไปเพราะไม่มีอะไรมาเบียดเบียนกันหนึ่งทางใ้เกิดความสุขของใจเพราะไม่ได้ไปทำสั้วช้าลามกนอกจากนั้นภาวนาคือการอบรมจิตใจของตนปกติจิตใจมากพุ่งจุง เหมือนบานอนถ้ามนมีโซ่ผูกไว้มันจะโดดไปโน่นโดดไปนี้สติเป็นโซ่ปัญญาเป็นผลสำหรับรักษามันคิดมันปรุงไปที่ไหนอะไรเป็นทางเสียห้ามตั้งยาให้มันกระโดดโล ด, ดโผนไปปัญญาเนี่ยสอนจิตใจอยู่สมาเสมอ่ันจึงให้โูก กับบทบริกรรมด้วยกับลมหายใจไม่ให้จิตใจพุ่งไฟตามสัญญาอารมณ์อันอื่นเมื่อใจมันพุ่งไปจุงไปโดยเหนือมีสติโดยเห น, นมีปัญญารักษาทางที่จะได้ก็คือความเสื่ยงความเสี ย, ค ว, สยความเดือดร้อนแต่เรามีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนจิตใจอยู่สม่ำเสมอชี้ปรุงอะไร พิเจนาให้เชื่อจิดเชื่ใจว่าคิดปรุงไปอย่างนี้ดีชั่วอย่างไรเป็นทางเป็นดินอในเลทเป็นไปเถี่ยวความเหิดเทินเสืียหายเมื่อคิดทีนี้พิเจนาดูหยบชายแล้วทางหาเป็นทางเสียหายขอละสอนปล่อยวางไปเสียเป็นทางดีควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ก็ให้ปุงไปคิดไปเชื่อแก้ไขทายทอน จิตใจที่จิตท้อจึงเรียกว่าภาวนาเรียกว่าการเสดปัญญาทางสําลักกินเน่ให้รักษาส่วนความดีท้องใจสม่ําเสมอไปความดีใดที่มีอยู่แล้วอย่าให้เสื่อมให้เสียไปความดีที่ยังไม่ได้ในถึงพยายามก่อควยแต่ทาบำเท็ญเรียกว่าอนุรักษ ชนะปัดฐานมีการรักษาความดีทั้งตนที่มีอยู่มันเสงื่อมไปเสียไปมีคนมีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่ตายที่ใจของพวกเราทำคำสั่งสอนขอ ง, พ, งอพระพุทธเจ้าเต็มปัดฐานกายยาไม่ปัดชนาเอชนาจิตธรรมมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่ตายที่ใจอีกเนั่นกันฉะนั้นเมื่อคนยังอยู่ทำคําสัาง่งสอนของพระพุทธเจ้ายัางอยู่ ไม่ได้เส่อมไม่ได้เสียไปที่ไหนใครตั้งหน้าตาั้งตาปฏิบัติกายใจคนนั้นแหละจะรู้เห็นเป็นปฏิเป็นธรรมทุกข์ความสุขที่ไม่เคยเห็นแต่ไหนแต่ไรมาจะประับในใจทงองตนเพราะความสุขทางเวลานุกแต่สุขความสุขที่ปล่อยวางที่เหลือปัญหาความสุขที่รงรวมเข้าใจจะมีใครเข้าขายกันพอจะไปดู อยู่ที่อื่นได้นอกจากการประพฤติตัวบัดภายในตัวให้ตัวเท่านั้นถ้าเห็นภาเป็นในตัวแล้วจะเชื่อในอัธมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีบางลืหมหลงเพราะเรื่งของขื่อจะจดจำได้ความสุขรีเิดไปเสตอะไรจะเทียบเท่ากับการสงบของใจไม่มีมความสงบของใจเมื่อปล่อยวางละถอนที่เหนือนกันหา รวมรวมไปเพียงสวดขณะเวลาแถวนั้นจะมีความเชื่อมั่นกว่ามัดผลนิพนธ์ยังมีอยู่เพียงเราต่อเพื่ปฏิบัติความสงบสงัดเกิดขึ้นเพียงแค่นี้เราก็ยังเห็นความามดีบาตความสุขสียกว่าอัดทำเรียกมัดผลยังปรากฏอยู่ผู้กว่าเพืปฏิบัติโดยใจจริง ทำกันทุกวันทุกเวลาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาตั้งตานาตั้งตาชำรสศาสาาทําไมท่านจะไม่เห็นไม่เป็นจะเชื่อเชื่อเรื่องของศาสนานี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงว่ายังคงเส้นคงวาไม่เสียหายไปตามวาจาของคนพู้ยังมีอยู่ เมื่เราเราเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจา้าไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราเองในอยู่ตามจำหรับจำหล า, มาไม่ได้อยู่ตามการตามเวลาอยู่ในกายในใจประพฤติปฏิบัติการใดเวลาใดพิจรารณากายใจเป็นอันว่าพิจรารณาธรรมะเป็นอันว่าอ่านธรรมะรู้เรื่องกายใจของตัวไม่ต้องรู้พัวหรือถึงไปเรื่องอื่นก็เป็นอันว่า ถูกต้องตามหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนคนอื่นบอกคนอื่นไม่ได้จะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นก่อต่างแต่จิตใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติได้เห็นเป็นสื่อมีความสุขเพราะความสุขอยู่ในในตัวของท่านเพียงฟ อ, อร์บออยู่ไม่ต้องนะอื่นมาประกอบวามสุขส่วนนี้ โลกทั่วไปที่ยังไม่เดือดตัวพืชปฏิบัติมองไม่เห็นเพราะจิตใจของเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาจึงไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่ยินดีไม่พอใจไม่อยากตัวพืชปฏิบัติถือว่านักบวชท <c oughs> ั่วไปลวงโลกไม่เป็นสาราประโยชน์อะไรบวชเสียเวลาทําให้เกิดภิกขุสังาเสียหายไป ในทำอะไรให้แก่โลกในความเห็นของเขาเป็นอย่างนั้นแต่คนอย่างนั้นให้มาบวชในพระพุทธศาสนารักษากายวาจาใจควบคุมไว้ให้ปฏิบัติตามธรรมดีใ น, ในคนที่มันพูดอาจจะทำไม่ได้เพราะการปฏริบัติอาจทำทางศาสนาเป็นการบังคับใจโลกทั่วไปเขาจึง มีพระิตว่าพักที่อยู่ได้ทักใจอยู่ยากใจของพวกเราเราท่าน่วกไปถ้าหากไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการรักษามักอยากปลุงปลุงไปต่างๆอยู่ในวัดเพื่อปฏิบัติอัดทำหรือว่าเดือดร้อนอยากดูอยากฟังอะไรนี่แต่ผิดธรรมในทางนั้น เป็นทางสิ่งกิเลสชอบแต่จะประพฤติปฏิบัติให้จิตสงบสงับมันขืนเรื่องของกิเลสมันไม่ชอบกัรทำแล้วคนที่ไม่มีพื้นฐานดีไม่มีสติปัญญาที่รารณาแยกทายก็มากอยากจะเฉลิบเปิดเปิงไปตามเรื่องของกิเลสกันหาเหตุ น, นั้นระเนนในศาสนาจึงมีจำนวนน้อย ไม่มากเหมือนชาวลาวอยากโยมเพราะรักษาจิตคุมจิตบังคับจิตไม่ได้ปล่อยไปตามสภาพของกิเลสตัณหาชอบฉะนั้นผู้ทีบนที่ว่าเลี้ยงชระเนรไม่เป็นประโยชน์แก่โลกเขายังไม่เคยบวดและเขายังไม่ตั้งหน้าตั้งตาขอช่วยไปฏีวัตรรักษาตัวของเขาอยู่ ความจริงผู้อยู่ในศาสนาถ้าหากไม่มีสติปัญญาแนะนตัวจริงจังยากหนักหนาที่จะมีความฝุกพระพื้นฐานของจิตคิดลงไปแต่เรื่องนอกไม่อยากจะคิดจะอ่านเรื่องตัวของตัวเองไม่อยากจะแก้ไขส่วนสิ่เสียนี่ต่จะหาเพิ่มความขั่วความเสียต่างต่างมาทับผมจิตใจ มเด็พิจารณาแยกทายหรืออุบายปัญญาว่าสิ่งที่เราหลงไหลไปเป็นอย่างไรแน่นอนเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็จะส่องถูกกิเลสดึงจมูกเกลื่อยไปไม่มีสถานที่ใดจอดแวะพ้นที่สุดตัวตายไปตามาเราได้สะประโยชน์อะไรจากการเกิดเป็นมนุษย์จากการประดับนับฟังทำคำสั่งสอนขอ ง, ของพระพทุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราท่าน ขี่เป็นช้าเป็นเนนตัวดีขี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาตัวดีมุงหน้าหมุงตามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรมองข้างกายใจท่องตนทำอย่างไรกายใจจึงจะได้รับความสงบทำอย่างไรกายใจจึงจะได้รับความสุขความสบายความจริงเรื่องของกายมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเพราะสังขารห่างกันในดัก แผนจรียกว่าอนัตตาเือดมาอยู่ในการบังคับบัญชาของใครมันเกิดมาอย่างไรมันจะต้อแปรฟปวนไปตามสภาพของมันจะมีหมอดีวิเศษมารักษาความแก่แห่งหายความตายในให้มีจะเรียนมาจากประเทศไหนสถานที่ใดวิชานั้นจะไม่มีการแกะหายตกเพราะ ฟรรมเกิดความตายนี้เป็นสัจัธรรมเป็นอริยสัจเป็นของจริงที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นและนักปฏิบัติจะพิจารณาให้เห็นจริงอย่างนั้นแล้วไมมมีการไปห้ามกันขวางถนนคนส่วนใหญ่ที่ทุกจิต ท, ทุกใจเพราะเหตุว่าไ้ขวางถนนเอาไว้ ถนนเขาเคยเดินอยู่แต่ไหนสะ่ไรมาแต่เราไปขวางกั้นเอาเสียมันก็ผิดกฎหมายทางบ้านเมืองก็ไปกั้นถนนเขาถนนเป็นของกางถึงทุกคนจะท่องเที่ยวไปมาฉันใดจิตใจของพวกเราท่านที่หลงไหลไปหวฝันอยากจะให้ตั้งฐานของตนเป็นไปตามใจชอบก็คือการขวางถนน เกิดมาแล้วไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายจะทําอย่างไรจะแกะ้ไขได้ไม่มีทางถ้าเกิดมาแล้วจะต้องเป็นไปตามสัพของมันผู้ที่ปฏิบัติจะต้องเห็นไปจากชาัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมดาร่องมัน <c oughs> ตามหลงของธาตุของขันแต่จิตใจของเรายึดถือหรือไม่หรือปล่อยวางได้ สะดวกกสบายเห็นเขาเป็นท้องจริงหรือไม่หรือเห็นเขาว่าเป็นท้องแปลกฟอมอย่างไรอ่าเขือนเขาเป็นท้องจริงต่อซอยวางได้ถ้าหาเหเขาว่าเป็นท้องไม่จริงแปลกฟอมแล้วก่อซอยวางไม่ได้เพรายึดมั่นถือมั่นยาจะให้เป็นอย่างนั้นยาจะให้เป็นอย่างนี้เมื่อไมสมใจท้องตนถือมุ่งมั่นเอาไว้ใจก็เกิดทึกขึ้นเรื่องของการประเภทปฏิบัติศาสนา ไม่ใช่ว่าจะไปแก้ไขที่อื่นแก้ไขที่ใจของต